ประวัติลูปูดุลอตัตโลม้วนที่สามหน้าที่หนึ่งครับ มาประจำที่สุรินทร์เมื่อลุงปู่ดุลปรากรมทำงานจนกระทั่งโบทวัดสุทัศน์ที่เมืองอุบลสำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีแล้วท่านก็เตรียมการที่จะออกทุดงทันที แต่อุปสักด์อันสำคัญก็มาถึงคือมีหนังสือจากเจ้าคณะมณฑลนักพรตฤศีมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระหมหาวีระวงศ์อ้วนปิกโสเมื่อครั้งยังเป็นพี่พระธรรมปาโมกสั่งการมาว่าให้เดินทางไปช่วยพระหมหาพล อ, อุปสมโมบุรณวัด บุรพารามจังหวัดสุรินซึ่งกำลังทุดโศมท่านจินต้องกลับไปจังหวัดสุรินแร่นวิกิตผุดงที่มุ่งมั่นมานั้นก็ต้องระนับไปโดยสิ้นเชิงห้าสิบพรษาที่วัด บุรพารามบุรณะวัดบุรพารามเมื่อกลับมาจังหวัดบบสุริงทร์ได้ช่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เริ่มปฏิสังคอนวัดบุรพารามโดยสร้างอุโบสถแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์และเป็นอุโบสถ ท, ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดท่านคิดแบบแฟนด้วยตนเองแรงงานส่วนใหญ่อาศัยพระภิกษุสมณนนีและชาวบ้านในระแวกนั้นช่วยกันผู้เป็นกำลังสำคัญที่ควรกล่าวถึงคือนึง พระมหาโชตคุณสัมปันโนซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมรักั์เป็นที่พระเทศสุธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดวิรารงกรฝัดช่องนครราชสี ม, มา 2. องพระมหาเปลี่ยนโอภาโส ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมศสกั์เป็นพระราชาคณะที่พระโอภาสธรรมยานเจ้าอาวาสวัดปา่าโยธาประสิทธิ์ปัจจุบัน 3. พระอาจารย์สามอาจิงจโนเจ้าอาวาสวัดป่าวิจ้าอาวาสวัดป่าไทรวิเวกปัจจุบันอยู่ที่สุริน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 เทศนาอบรมประชาชนไใหมอบให้พระมหาเปลี่ยนโอภาโสเป็นผู้ช่วยดำเนิน ง, งานและด้านการเผยแพร่กรรมฐานในมอบหมายหน้าที่ให้พระมหาโชดคุณสัมปันโรเป็นผู้ช่วยดำเนิน ง, งานและตั้งแต่กลับมาจากจังหวัดอุบล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 เพราะอุปสรต่างๆนานาเพาต้องบริหารทั้งการปกครองการศึกษาทางพุทธศาสนาการปฏิบัติกนวดและการขยายวัดทั้งด้านการปฏิบัติและประิยัติมีสาขาทัางกามวาสีและอริวาสีที่สั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุรินและบุรีรัมย์หลายสาขาจานวนสิษย์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 ที่น่าปลาปลื้มยินดีแก่ชาวสุรินเป็นอย่างยิ่งก็คือมีพระหมหากรณาธิคุณโปรดเกล้าให้ยกวัดบุรพารามจังหวัดสุรินขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2อเป็นต้นมานับว่าท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัดอีกโสดหนึ่งด้วย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 ชันราษที่พระราชวุฒิาจารย์ในปัจจุบันแม้ว่าขณะนี้ท่านจะมีอายุ95ปีแล้วก็ตามสุขภาพประนมมามัยของท่านยังแข็งแรงดีประกอบกับท่านมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเป็นนิตยาการ ท่านผู้ใดจะขอโอกาสเข้ากราบธมรมส ก, กานเวลาใดก็ได้ไม่มีจำกัดเวลาและท่านสงเคราะห์ไปในกิจนิมนต์ของผู้นิมนต์เสมอสำทางสมัครระาชวังได้รัตนมาไปในพระราชพิธีเจริญพระชนม์พรษาประบาทสมเด็จจุูหัวสมเด็จพระบ ร, รมราชินีนาเป็นประจำตลอดมาอันหนึ่ง สิ่งที่ควรบันทึกว่าเป็นเกียรติประวัติของวัดและของลุงปู่เป็นพิเศษคือเมื่อวันที่18ทันวาคม2522าบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมาราชินีนาพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัฒนราชาสุดาพระราชธิดาพระราชาินิสา และพระเจ้าหลานเธอทั้งเจ็ดพระองค์ได้กะเกด็จไปนมัจการหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อเวลา18บรนิกาสี่ทีจนถึงเวลา19บเนิกา30มทีของวันที่1 8บธันวาคม2522 หลังจากทรงตรัสถามสุขภาพอนามัยของหลวงปู่แล้วทรงอาราธนาให้หลวงปู่กล่าวธรรมเทตนาประทรงอัดเทจไว้ด้วยเมื่อลุงปู่กล่าวธรรมะย่อๆถวายจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสถามหลวงปู่ว่าการจริญกิเลสได้นั้น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 แต่ตุปั จ, จแด่ลุงปู่และทั้งของพระองค์ก็ได้รัตนาค่อยลุงปู่ดำรงสังขารอยู่ให้นานต่อไปอีกเพื่อเป็นความอบอุ่นของประชาชนลุงปู่ถวายพระพรว่าและแต่ความเป็นไปของสังขารจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ ในสกลนครครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่19ถึงวันที่20มกราคม2 5 2 1ท่านได้ไปร่วมงานพระพาราชทานเพลิงศพระอาจารย์ควันอาจารย์ที่วัดป่าอุดมสมพร พนานิคมสะกลนตรครเข้าร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ชักผ้ามหาบาังสุกุลนาศบได้รับพระราชทานฉันในพระราชพิธีสามหาบอีกด้วยท่ากลางพระสงฆ์ฝ่ายอรั ญ, ญวาสีนับจำนวนเป็นพันพันรูปและสาธุชนจากทุกสารทิศ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 เป็นการย้อนล ร, รึก ถ, ถึงบรรยากาศเก่าๆผลจนมากระถึงอดีตแห่งการเดินทุดงแห่เกิดความบันเทิงในทางธรรมเป็นอย่างยิ่งมีผูกราวเรียนถามถึงพระอาจารย์องค์อื่นๆเช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านตอบว่าเคยได้ยินชื่อมาแต่ต้นเหมือนกัน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 ท่านก็ยังดำเนินตามปฏิปทานั้นๆตืดต่อมาท่านจึงเป็นผู้งดงามด้วยสมณวิสัยปฏิปทาของท่านคือ 1. นึ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นปกติไม่ขาดสายไม่เคยขาดตก บ, บกพร่องกลางคืนจะพักผ่อนเพียง สองชั่วโมงเท่านั้นสองฉันมือเดียวมาตลอดเว้นแต่เมื่อมีกิจนิมนจึงฉันสองมือ 3. ามมีความเป็นอยู่ง่ายเมื่อขาดไม่ดิ้นรนแสวงหาเมื่อมีไม่ฟั่งสมเป็นอยู่ตามมีตามเกิด จเจริญด้วยยัตาราคือสันโดษได้อย่างไรบริโภคอย่างนั้นสมีสัจจะพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นมีความตั้งใจจริงจะทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะ เป็นผู้มีความประพฤติเบากายเบาใจสันลหุกาวุติเป็นผู้มีความประพฤติเบากายเบาใจคือเป็นผู้ค่องแคล่วว่องไวเดินตัวตรงและเร็วเมื่อเวลาตื่นนอนพอรู้สึกตัวท่านจะลุกขึ้นทันทีเหมือนคนที่พร้อมอยู่เป็นที่ตลอดเวลา ข้อหนิยมการทำตัวง่ายๆสบายสบายไม่มีพิธีรีตองมักตำหนิผู้ที่เจ้าบทบาทมากเกินควรเจ็ดการปฏิสันฐานท่านปฏิบัติเป็นเยี่ยมตลอดมาหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเยน็นพูดน้อย สงบอยู่เป็นนิดมีวันะองใสท่านรักความสงบจิตใจฝ่ายในความวิเวมเกมากจะเห็นได้ว่าท่านชอบสวดมนต์บทอรัญเยรุคมูเลเวาสัญญาคาเรวาพิขโวมากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่มีโอกาส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 และง่ายต่อการจดจำท่านได้คำแนะนำในการปฏิบัติธรรมแก่บรรพจิตและกระวานได้ทุกผู้ทุกคนไม่ผิดหวังและเป็นจิตที่ท่านชอบทำมากด้วยข้อที่อดจะกล่าวซ้ำจะนม่ได้คือขันติจะเห็นว่าท่านสามารถอดทนต่อสิ่งแวดล้อมต่ออุปสรรคต่างๆ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 และมีความกระตันยูต่อบิดามารดาครูบาอา จ, จารย์อุปรชาชและพระเถระผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงกล้ากล่าวได้ว่าทิทุทุกคนมีความเคารพรักลุงปู่มากพระหนึ่งว่าท่านเป็นบิดาบังเกิดกล้าวของตนของตนทังนี้เพราะลุงปู่เป็นผู้เตรียมด้วย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 เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินเป็นเวลา9วันก็หายเป็นปกติกลับวัดได้อาภาธครั้งที่2เมื่อวันที่27มกราคม2526ลล้งปู่เริ่มมีอาการผิดปกติคือมีอาการปวดชาตั้งแต่บ้านเอวลงไปถึงปลายเท้า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 ทัหนักทางเบามีอาการประเดี๋ยวหนาวประเดี๋ยวร้อนผู้พยาบาลจะไปตามหมอท่านก็ว่าไม่จําเป็นก็เป็นการน่าอาัศจรรย์อยู่อย่างนึ่ที่หลวงปู่กลับไม่มีท่าทีปริวิตกอะไรยังคงสงบเยือกเย็นอยู่ตามเคยท่านไม่เคยเรียกหามหมอ หรือให้ใครไปตามหมอมารักษาพยาบาลการเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องของผู้อยู่ใกล้ชิดขอร้องท่านทั้งนั้นตลอดคืนนั้นอาการไม่ทุเราท่านยิ่งอ่อนเพลียหนักขึ้นทุกทีจึงต้องพาท่านไปยังโรงพยาบาลสูริพากอยู่ได้ประมาณหกชั่วโมงท่านให้พาก ท่านให้พากลับวัดแม้จะขอร้องให้อยู่อย่างไรท่านก็ไม่ยอมจึงต้องตามใจท่านจากนั้นคณะสงฆ์ตกลงกันว่าจะนำหลวงปู่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรกรุงเทพได้เดินทางถึงโรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันที่29มกราคม2526เวลา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 เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดนี้ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเจาประสงค์ที่จะสงเคราะห์แด่หลวงปู่ในครั้งนี้ทรงรับหลวงปู่ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอาานแพทย์หลวงมารักษาพยาบาลเป็นพิเศษระหว่างที่หลวงปู่พักรักษาอยู่นันตึกจงก น, นี ห้องพระเจ้านี้ล้นกล้าวทั้งสองพระองค์เดชเด็จ เ, เยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนโรงค์ดังนี้คือวันที่สี่มีนาคม2526อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเเด็จเยี่ยมหลวงปู่เมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่มีอาการดีขึ้นมากแล้วก็ทรงปีติสมนัตเป็นอย่างยิ่ง ทรงสนธนากับลุงปู tamam. อง่อสมควรแก่เวลาและพระเจ้าทานราง ว, าวาัลแกสิและผู้อยู่พยาบาลโดยทั่วกันแล้วเสด็จกลับวันที่ส2องมีนาคมสองพเวลา18นาิกนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วัพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพร ะ, ระบรมราชินีนาสเด็จเยี่ยมลุงปู่อีก ไม่มีผู้ใดทราบล่วงหน้ามา ก, ก่อนว่าพระองค์จ ะ, สะเสด็จแต่หลวงปู่ก็นั่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วหลังจากพรงคตรัสถามอาการของหลวงปู่แล้วทรงพอพระทัยที่อาการอาภาษของหลวงปู่หายปกติดีและทรงทราบว่าแพทย์อนุญาตให้หลวงปู่กลับได้แล้วพระองค์ทงถามถึงการเดินทางกลับ พร้อมกับระาชทานยานภาณะจากราชสมบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของหลวงปู่หลังจากทรงสนทนาธรรมและฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วทรงถวายจะถุปัจจัยพร้อมตั้งทรงรัตนาให้หลวงปู่ดำรงขันอยู่ให้เกินร้อยปี หลวงปู่จึงถวายวิสัญนาว่าอาจจะมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นป่ายของเขาเองวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้ารอยยีสิบหกเวลาสิบเจ็ดนาิกาเสษสมเด็จพระเทพเทพทัฒนราชสุดา เด็กสเสด็จมาเยี่ยมหลวงปู่ด้วยเวลาอันสั้นเมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่มีพรานามัยดีขึ้นทรงชมว่าหลวงปู่แข็งแรงดีแล้วสเสด็จกลับการที่พระบาทสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพประจนาจาชาสุดาทรงมีพระมหาการุณาสงเคราะห์ อนุเคราะห์หลวงปู่ครั้งนี้เป็นที่กราบพลื่มบิติยินดีแก่สานุสิ์และชาวกรุรินเป็นอย่างยิ่งนอกจากศิษยานุสิตแล้วยังมีท่านผู้มีเกียรติตลอดทังสาธุชนทั่วไปมากมายหลายท่านได้ไปกราบนรมาตะกนหลวงปู่บางท่านได้สละกำลังกายกำลังทรัพย์และเวลา ไปอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาล น, นี้ได้ช่วยถวายพระสารารตลอดถึงสิ่งจำเป็นและอำนวยความสะดว ก, กต่างๆและช่วยรับใช้หลวงปู่รวมทั้งพระสงฆ์ที่อยู่พยาบาลท่านด้วยนับว่าท่านราวนี้โดยมีเจตนาอันสูงส่ง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 กลับอารามเดิมวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2526เวลา8นาฬกา18นาทลุงปู่ได้ลาจากโรงพยาบาลจุฬราลรงกรเพื่อเดินทางกลับอาวาสเดิม ค่ากลางนแพทย์พยาบาลและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ออกมาส่งหลวงปู่น่าตึกโรงพยาบาลด้วยความอะไรและเคารพหลวงปู่อย่างยิ่งถึงวัดบรุรพารามเวลาส5บห้านาฬิกาท่ากลางการรอรับของศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากต่างแสดงความพื่งพิกิตยินดีที่หลวงปู่ท่านได้ ก, กลับมา ในโอกาสนี้พระสงฆ์นำโดยพระเถรานุเถระตลอดจนญาติโยมพุทธบริษัทชาวจังหวัดสุรินได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่หลวงปู่เพื่อจะได้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาล ะ, ะและเพื่อดำรงอยู่ในร่มโพร่มไฟของสาธุชนทั้งหลายต่อไป 分布广泛。